ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทลัลศีวทุกํากำลังนำเสนอธรรมทายาสูตรในช่วงที่ภาษาริบุตรเถระได้รับอาราธนาจากภิกษุทั้งหลายที่ได้ฟังพระพุทธธรรมรัตจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจ ก็ามาขอให้พระเทระอธิบายท่านก็อธิบายมาโดยลำดับมาถึงช่วงหนึ่งก็มาสรุปรวมลงที่อริมัชมีองค์แปดประการว่ า, าที่จะต้องบำเพ็ญภาวนากระทำให้บังเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็แสดงโทษของกิเลส โดยเริ่มต้นที่โลภะกับโทสะว่าเป็นธรรมลามุกแตขณะในขณะที่ภายในจิตใจของเรามีโลภะโทสะเนี่ยมันก็มีอริมักมีองแปดประการเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยและถ้าหากว่าบุคคลได้ประพฤตปฏิบัติตนไปตามหลักของอริมากมีองแปดประการ ก็จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางด้านจิตใจคือจะเกิดดวงตาดวงตาปัญญาคแล้วจะเกิดญาณความรู้ก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเรียกว่าอภิญญาพอถึงจุดหนึ่งก็นำไปสู่การศัสรูจะเรียกว่าสัมโพธะ อจ ส, สรุปแล้วก็จะเข้าสู่ผลสูงสุดคือ น, น, นิพทานย์นั้นพระเถระก็มาสรุปอริมักคบปงแปประการจะเริ่มจากสมาธิิเป็นต้นก็มาถึงสมาสมาชิตประกอบข่ายเนื้อหาของอริมักคุงแประการนั้น ก็ได้นำมาขยายความไว้แล้วตามนัยยะแห่งมาสติปัฏฐานสูตรหรือมักควิพังกสุตเนี่ยอธิบายด้วยข้อความเดียวกันจากนั้นกส็สรุปผลอีกครั้งหนึ่งก็คือเกิดดวงตาเกิดยานเกิดความสงบเกิดความรู้ยิ่ง เกิดความรู้ดีเกิดความดับก็คือทผพานทีนี้ท่านก็หันมากล่าวถึงพวกกลุ่มกิเลสกลุ่มกิเลสอย่างที่บอกว่ามันมีรากเหง้าใหญ่สุดเนี่ยมาจากกบิสาแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาไปกิ่งก้านสาขาเหล่านั้นท่านจะนับยังไงก็ได้ เวลานับโดยวิจิตพิสดานนั้นนับออกไปถึงกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดก็วิจิตพิสดานั่นนะแต่ว่าโดยลักษณะอาการที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตมันก็บังคับเสื่อใสจิตไปตามกระแสของกิเลสสายนั้นนั้น สายเลอพระอาโลภะก็จุดกระชากไปอยากได้อยากมีอยากเป็นสายโทสะก็จุดกระชากไปไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นมีความไม่พอใจเป็นยินดีประทุสร้ายทำลายร่างฐานกันแล้วก็สายโมหะอาการที่ปรากฏแก่จิตมากเนี่ยก็คืออาการฟุ้งซ่าน กับอาการเครือบแคงสงสัยแต่ถามมาทำไมจึงฟุ้งซ่านทำไมจึงเครือบแคลงสงสัยก็บอกว่าเพราะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงจึงสงสัยแล้วก็คิดมากก็คิดมากเพราะฟุ้งซ่านตราบใดที่ความสงสัยยังมีอยู่ความฟุ้งซ่านก็ต้องมีอยู่แต่ว่าความสงสัยนั้น ละได้ก่อนควางฟุงสันวา่งฟุงสันที่เรียกว่าอุตจคนที่ละได้ก็เป็นพระอรหันต์ทีเดียวคนทั่วไปก็ละไม่ได้จากนั้นท่านก็แสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมลามุก็เริ่มต้นมาจากท่านกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายธรรมดาธรรม ดังกล่าวแล้วนั้นความโกรธและความฝูกโกรธเป็นธรรมหลามกุกคือตรงกันข้ามกับอริยมรรคเปองค์ประการคือเป็นปฏิปักิกันหมายความว่าถ้าปริมาณของอริยมรรคเปองค์แประการเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็จะลดความเข้มข้นรุนแรงลงไปโดยลำดับจนถึงกระดับอย่างสิ้นเชิงเมื่อบรรลุ อรหัสตะมักแต่ว่าในภาคการดาเนินชีวิตจริงๆเราก็ดับใบได้มากบ้างน้อยบ้างในชีวิตประจำวันก็มีเป็นอันมากที่เราดับโทสะโลภะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆแต่ว่าดับได้ไม่ยิงยังยืนไม่ทาวดมันก็กําเริบขึ้นอีกทัเรียกว่ากุปธรรม คือธรรมะที่กำเริบขึ้นมาได้ความโกรธความผูกโกรธความโกรธนั้นก็คือการกระทบกระทั่งทางใจซึ่งเกิดขึ้นจากการสัมผัสอารมณ์แล้วกำหนดอารมณ์ว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแต่เมื่อแรงกระแทกแรงเนี่ยมันก็กลายเป็นประทุษราย หรือว่านํามาปรุงคิดคิดปรุงมากหรือว่าจิตใจเราเป็นคนอ่อนไหวดุจมีแผลกระทบนิดกระทบหน่อยก็โกรธแล้วแล้วก็ไม่ได้หยุดตรงนั้นก็ผูกโกรธเอาไว้ปีการผูกโกรธเนี่ยมันก็อยู่นานแือความโกรธอาจจะวูบแล้วก็หายไปเพียงไม่กี่นาทีก็ได้ แต่ว่าผูกโกรธเนี่ยดาบใดที่เดียวท่านเรียกว่าอุปนาหะคือการเข้าไปผูกโกรธเอาไว้กระนำของเก่ามาปรุงคิดคิดปรุงนะฮะเหตุให้โกรธมันก็เป็นเรื่องอดีตความโกรธก็เกิดขึ้นในอดีตและตั้งเหตุให้โกรธและทั้งความความโกรธที่จริงมันดับไปแล้วในอดีตแต่พอเราผูกเอาไว้ มันก็กลายเป็นการผูกความโรกรธไว้มันไม่ได้กระตุ้นจากข้างนอกหรอกวันนี้มันปรุงเอาของเก่านี่มาปรุงคล้ายๆกับสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องเนี่ยมันก็เอาของที่อยู่ในปากมาเคี้ยวอารมณ์ในอดีตรเราเอามาปรุงคิดคิดปรุงขึ้นแล้วก็มองในมุมดั้งเดิมคือมุมที่เราเคยคิดเอาไว้ คือการผูกโกรธแล้วพอผูกโกรธมากมากมันก็กลายเป็นอาฆาตพยาบาทอาาตนะครับอาฆาตทีนี้ไปดึงรุงรังเลยไปดึงเรื่องอดีตมาก็ได้สมมุติ รุงคิดขึ้นมาเองสร้างจินตนาการขึ้นมาเองเหตุการณ์ในลักษณะนั้นนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้หรือว่าไปกำหนดสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้คเราคิดเราเองครับหรือบางทีเนี่ยเขาก็ทำถ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ดินมันกระดับไปแล้วในอดีตอนาคตมันยังไม่เกิด อนาคตจึงเป็นจินตนาการที่เราสร้างขึ้นอดีตเป็นเรื่องอะไรล่ะสมัยของมนิดรุนแรงเนี่ยเขาเนียก็ปลูกผีขมนิต์ปลูกผีขมนิ์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาเป็นภาพลักษณ์ที่ใหญ่โตเลยสมัยมาเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยเราอ่านหนังสือของรั่ที่ กฆษณาประชาสำคัญที่เรื่องเกี่ยวกับขอบมนิษย์เราก็มองเห็นเป็นรูปยักษ์รูปมารในหนังตะลุงนะฮะคิดอย่างนี้อยู่นานนะกว่าอายุจะโตพอที่จะรู้อะไรเป็นอะไรนี่ก็คือเรื่องที่จิตของคนปรุงขึ้นแล้วคนก็รับสารนั้นตามที่เขาปรุงไว้ ก็ไปนึกจริงตอนนึกก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดต่ออะไรเพราะว่ามันเป็นเด็กคิดต่ออะไรไม่ได้ข้อมูลเราไม่มีพอนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของความผูกโกรธเอาไว้อาจจะผูกว่าแต่ว่าเรียกว่าอาฆาตนะเรียกว่าอาฆาตตวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตพยาบาท เ ป, ประลบเรื่องอดีตว่าคนนี้เคยทําอันตรายต่อเราคนนี้เคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้เคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลุ่ต่อศัตรูเราก็ผูกอาคาดไปแต่ก่อนเรียกว่าอาคาตเนี่ยมันมีความเข้มข้นกว่าอุ ป, ปนาาิ ह ะแต่นั้นเองแต่ก็เป็นกิเลสประเภทโทสะด้วยกันนั่นแหละ บางทีก็อาจจะประรบในปัจจุบันว่าคนนี้ก็มาทําทําอันตรายต่อเราคนนี้กำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้กําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตรูเราหรืออาจจะคิดเอาในอนาคตว่าอาจจะเกิดอ่ะต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะ เป็นประโยชน์ต่อสัสตว์สู่เราแล้วก็เกิดความอาฆาตพยาบามุังจองเวรจองล่างจองขรานกันก็กลายเป็นเรื่องก็รุงรังอยู่ในหมู่มนุษย์นี่แหละประการต่อไปลบหลู่ตีเสมอเป็นธรรมลามกุกอีกคู่หนึ่งนะอีกคู่เนี่ย การลบหลู่นั้นก็ลบหลู่คุณความดีลบหลู่สถานภาพจนถึงลบหลู่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็คือดูหมิ่นคนอื่นนั่นแหละแต่บางทีมันเป็นความดีของท่านคือลบหลู่บุญคุณความดีของท่านขาดจิตสานึกี่โกบด้วยกตัญญูกตวเวชี เผเสษความดีที่ท่านเคยมีต่อตอนเองเป็นคนประเภทนี้เยอะนะฮะคนประเภทนี้บางคนเนี่ยแม้ให้สมบัติก็ทั้งแผ่นดินก็ทำใจเขาให้กตัญญูไม่ได้แล้วก็ตีสเสมอเนี่ยเป็นอาการของมานะอย่างหนึ่ง คือแม้แต่เราพูดเรื่องสมมภาพนะฮะพูดเรื่องสมมภาพคือความเสมอภาคกันแน่นอนในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราเสมอภาคกันในความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราก็เสมอภาคกันในความไม่ยท่งเป็นทุกเวท น, นาตาเนี่ยเราก็เสมอภาคกัน แต่ว่าการดำรงชีวิตให้เสมอภาคกันเนี่ยที่จริงมันก็ยากแต่เช่นพูดถึงรายได้รายจ่ายรายได้เหลือจ่ายหรือรายได้ไม่พอจ่ายมันก็อยู่ที่ผลของกรรมคือความเพียรพยายามของบุคคลเรา น, นั้นทีนี้ในการกระทำมันก็มาจาก ความรู้ความคิดความสามารถแล้วก็คุณธรรมของบุคคลเหล่านั้นในสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมาการศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าต่อนเนื่องกันไปมีระบบการคิดที่มีเหตุมีผลแล้วก็สาวเลยไปจนถึงว่าเราเกิดมาด้วยกุศลเจตสิกเกิดมาด้วยบุญ สร้างความโน้มเอียงให้เกิดขึ้นอย่างงุมประกอบในมงคลที่ท่งแสดงเอาไว้เนี่ยในตอนต้นนะฮะหข้อคือไม่อยู่ในสาภาพแวดล้อมที่มีความโน้มเอียงจะชักนําเราไปคบหาสมาคมกับคนผ่านแต่ก็ได้สาภาพแวดล้อมที่ดีที่คือคูณต่อการคบหาสมาคมกับบัณฑิตและกบูชาผู้ควรบูชา เ ร, เราได้อยู่ในสถานที่ที่เกื้อกูลเขาเรียกปฏิรูประเทศคือเหมาะสมถูกต้องดีงามในขณะเดียวกันเราก็มีบุญที่ทำไว้ในการก่อนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือตั้งตัวเองไว้อย่างน้อยก็ชอบโดยกฎหมายชอบ้วยศีลชอบติยธรรมไม่มีอะไรก็ชอบ้วยกฎหมายเลย แต่ถ้าดีขึ้นก็ชอบดีสิแต่ถ้าพัฒนาขึ้นไปชอบดรรมไอ้ชิ้นธรรม น, นี่มันจะอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลเราเองพราะความเสมอภาคในที่นี้ความตีเสมอในที่นี้อาจจะอาศัยอะไรล่ะ อาจจะอาศัยรูปร่างอาจจะอาศัยฐานะทางทรัพย์สินอาจจะอาศัยสกุลอาจจะอาศัยวิชาความรู้อาจจะอาศัยความสามารถอาจจะอาศัยฝีมือฐานะตำแหน่งอะไ ร, ะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะในพระบารีท่านแสดงไว้สิบอย่างแต่ว่าถ้าเราดูปัจจัยประกอบในปัจจุบันคนอาจจะปลารพบอะไรก็ได้ ก็เป็นเหตุให้เกิดการตีเสมอคนอื่นการตีเสมอคนอื่นนั้นเป็นกระด้างจิตที่มันกระด้างก็เป็นอภิมงคนนะเพราะว่าขัดแย้งก็บมงคลที่ส่งแสดงเรื่องคาระวะและนิวาตะคาระวะก็คือการให้ความเคารพนิวาตะก็คือการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตรนต่อคนทั้งหลาย าการท่นแดงออกทางกายเป็นกิริยาที่อ่อนน้อมเปล่งออกไปทางวาจาเป็นวาจาที่อ่อนหวานมีฐานสำคัญอยู่ที่จิตใจที่อ่อนโยนแต่ทีนี้การตีเสมอนั้นมันจิตใจมันกระด้างอาจจะไปคิดว่าเราเลิศ ก, กว่าเขาเสียทุกเรื่องมันไม่มีคนนะไม่มีคนที่เลิศ ก, กว่าคนอื่นทุกเรื่อง แม้เรากล่าวสัรเรินพระพุทธเจ้าหรือจากพระพุทธํรรรัตที่ตรัสแก่อุปการชีวกก็ดีหรือพระดํรรัตที่ตรัสที่เปล่งตอนที่ประสูติไปมา่ก็ดีอังโหโหมัสมีโลกสัสเชตโธหมัสมีโลกสัสเศตโธหมัสมีโลกัสเราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้ใหญ่ในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกแต่ว่าก็บีประเด็นเอาไว้คือในด้านปัญญาด้านความบริสุทธิ์และด้านความการุณาเท่านั้นไม่ใช่บอกเอาทุกถึงทุกอย่างเพราะว่าคนแต่ละคนก็สร้างบารมีมามีความเหนือกว่าอย่างยกตัวอย่าง คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตะซึ่งเป็นน้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรท่านหนีเข้าป่าไปบวชเป็นสา ม, มเณรจนญัติเป็นพระแล้วนะเดือถึงสิบสี่ปีทางที่จะไปนั้นทางตรงเนี่ยมันจะมีจะขาดแคลนเรื่องชาวบ้านที่จะทามูลกัก บ, บาท แต่ทางออบเนี่ยมันจะมีประชาชนอยู่อาศัยอยู่เยอะก็จะสะดวกในการบินถัาไปพระนนท์มากราบทุนถามว่าจะไปทางไหนในสองทางนี่เปุจ้ารับสั่งถามมัสยิมาลีสีวลีมาด้วยหรือเปล่าพระนนท์ก็กราบทุนออกมาด้วยรับสั่งว่าถ้าอย่งงางนั้นก็ไปในทางตรงนั่นแหละเรื่อง อาหารในบินธบาตก็อาศัยบุญของศระรีวลีอ่ะประีวลีบุญเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ว่าอาศัยบารมีของพระสีวลีประสงค์แต่ห้าร้อยรูปเนี่ยก็ได้ฉันพัฒตาหารด้วยบารมีของประสีวลีทท้งนั้น นี่ก็แสดงว่าในด้านสมบูรณ์ด้วยอาติเรกลาภเนี่ยประสีวดีก็เหนือกว่าพระพุทธเจ้ายังเคยไปประสบปัญหาที่เมืองเวรัญชาลำบากเรื่องอาหารอยู่ตั้งสามเดือนเพราะเกิดทุพิกข้าวเกิดแห่งแรง้เแรงเกิดธุระกันดานแล้ว เ, เกิดจากมารล ด, ดใจประชาชนให้ลืม การมีอยู่ของพระพุทธเจ้าเลยพะก็เลิกแค่สามอย่างเพอสามอย่างมันก็จริงเพราะไม่มีใครเลิกกว่าพระพุทธเจ้าในสามอย่างนี้มีปัญญาตรสรู้ปัญญาระดับตรสรู้มันก็มีคนเดียวความบริสุทธิ์หมดจดทั้งกิเลสและวาสนามันก็มีอยู่พระองค์เดียวแล้วก็มีความกรุณาไม่เลือกหน้า ไม่จำกัดชาติชั้นวรรณะแต่ประการใดไม่มีเรามีเขาหรือพวกเราพวกเขาแต่ว่าสมองสัปปายิชีวิตเป็นผู้กวนแก่การการุณาด้วยกันทั้งนั้นแต่ส่วนเรื่องอื่นที่มีคนก็เด่นกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ว่ากันไปแต่ว่าพระองค์ก็เด่นกว่าเฉพาะสามเรื่องแต่สามเรื่องนั้นเป็นการ เป็นผลมาจากการปฏิบัติพัฒนาพระไทยแล้วก็สนับสนุนด้วยบา ร, รมีธรรมในอดีตของพระองค์ประการต่อไปก็คือความริษยาและความสนีเป็นธรรมราโมกเหมือนกันพวกนี้ความโกรธความผูกโกรธ โกธโนปนาหิมักขีราสีแล้วก ah ็อิส uh ุติมาชรีเนี่ยันี้อันี้หกข้อเนี่ยในที่บางแห่งทรงเรียกว่าวิวาทมูลแต่ลองสังเกตว่าการทะเลาะกันของคนทั้งหลายเนี่ยเอาในโลกเลยเอาทั้งโลกเนยมันจะต้องมาจากอะไรมาโกรธ ความผูกโกรธหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นเรื่องของความลบหลู่หลูหมิ่นคนนั้นหรือว่าตีเสมอคนนั้นแล้วก็ความลิษยากับความตันนีรบ ก, กันไปรบ ก, กันมารุงรังพันเตรกโรคไปเลยเนี่ยมันก็มาจากห้าหกเรื่องเนี่ย ทีนี้ความริษยานั่นเป็นอาการดำมืดในด้านจิตใจมันเหมือนกับสัญชาตญาณดิสัญชาตญาณป่าใครดีไม่ได้ใครได้ไม่ดีอย่างที่สัตว์ติดไรฉานเขาแย่งอาหารกันเนี่ยเพื่อนแสวงอาหารพอได้เนี่ยพวกที่ไปแสวงหาหรือแสวงหาไม่ได้ก็ไปแย่ง การแย่งนั้นด้วยริศยาหมายความไม่ชอบไปเขาได้แต่พอดีเขาได้เราก็เกิดโกรธเปสัตว์ที่ได้แต่เราก็โลภในสิ่งที่สัตว์อื่นเขาได้เลยก็เป็นอาการของริศยาต่นแปลว่าเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้เป็นอาการโลภ เป็นอาการโกรธแล้วก็เป็นอาการหลงก็แยกมาเป็นอาการที่เราเรียกว่าลิษยาเราจะโลภในสิ่งสิ่งที่เขาได้คือเราอยากได้เสียเองทีนี้เมื่อคนอื่นได้เราก็โกรธคนนั้นทั้งๆ ท, ที่ไม่มีปีมีครุยอะไรอย่างภาสิจีนที่บอกว่าคนไม่ผิดต่อผิดที่มียกติดตัว ที่ถูกไล่ล่ากันอุตรุษเนี่ยเรื่องจีนมันก็มีการไล่ล่ากันนี่เราเห็นแล้วก็การริษยานั้นก็เป็นอาการของโมคคือไม่ได้คิดว่าการที่เขาได้เขามีเขาเป็นเนี่ยอย่างในกรณีสัตว์เนี่ยก็เพราะเพื่อนเขาแสวงหาได้ก็ใช้ความพยายามเอา แต่เราต้องการได้อย่างเขาเราก็ใช้ความพยายามเอาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นี้ก็ใช้วิธีการแบบง่ายๆก็คือแย่งทีนี้เสนีเนี่ยเราจะเห็นว่าเสนีในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันเจือโทสะอยู่ความเสนีเนี่ยมันเป็นอาการของโทสะ เช่นว่าเส น, นีลาบคือส น, นีผลประโยชน์เราดูให้ดีเราก็เส น, นีเฉพาะคนที่เราไม่ชอบแต่ว่าคนที่เราชอบเราก็ยินดีให้จะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าส น, นีที่อยู่อาศัยส น, นีจะจนจนถึงพัดวากุติกุตังอะไรยุกมาหมด เพราะเราไม่ชอบคนเราหนึ่งอย่าในวัดวาราบางทีเราก็เห็นชัดิพอเห็นชาติเราก็สลดแตนที่จริงก็สลดเังคิดเห็นมานานแล้วตั้งแต่เป็นพระหนุ่มๆแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้พระส่วนใหญ่ก็มาจากส่วนภูมิภาคแต่ว่า วัดบางวัดเนี่มีพระเฉพาะภาคนั้นเท่า น, นั้นหรือจังหวัดนั้นเท่า น, นั้นเลยจำไปนั่นก็แสดงม่าเสนีมันมีอาการของโมหะอยู่เยอะเลยคือพระวิเตษของเราไม่ใช่กุฏิของเราไม่ใช่อะไรของเราเราเป็นผู้อาศัยแต่เราก็ไปสนีหวงแม่คนอื่นที่เราไม่ชอบให้อยู่แต่พูกตัวเองก็ให้อยู่ นี่คือปัญหาใหญ่ที่บอกว่าพระเนนต่างจังหวัดถูกกีดกันแม่เข้ามา เ, เข้าถึงการศึกษาที่เขาจัดกันในส่วนกลางถูกกีดกันเอาไว้ามาเองกว่าจะอยู่วัดระบอได้เนี่ยจเจ้าวาดตายไปสององค์เนี่ยก็พยายามกันหลายทีเหมือนกัน มาสักสามสี่ปีก็เรื่องยากทีนี้ตนีพวกมันก็อีกแหละหมายความว่าเราก็ไม่ชอบให้คนนั้นเข้ามาเป็นพวกหรือตนีผิวก็คือไม่ชอบไปผิวเขาเสื่อมไปแล้วก็ตนีสกุลเราก็ไม่ชอบคนบางพวกไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับสกุลเรา หรือมาแต่งงานแต่งการกับคนในสกุลเราก็มีการกีดการคนพวกนั้นจนถึงกัตณีแม้แต่ธรรมะคือความรู้ในการปกปิดไม่ยอมแนะนำสั่งสอนไม่ยอมให้เหตุผลสติปัญญาแก่ใครๆกลัวเขาจะรู้ทั่วถึงเห็นไมเมื่อเกิดมาจากความไม่ชอบ มันเป็นอาการของโทสะแต่ในขณะเดียวกันบางคราวเนี่ยคือเราอยากได้เสียงจะอยากได้เสียงแล้วก็ไม่ให้คน อ, อื่นได้เลยมันก็สัญญาณอาการเป็นโลภะด้วยแล้วก็เป็นโทสะด้วยเป็นโทสะในตัวคนที่เราไม่ชอบ แต่ก็เป็นโลภะในสิ่งที่เราห่วงคือไม่ให้ก็กิเลสมันก็วนๆกันอยู่อย่างนี้แหละทีนี้มายาและความโอ้อวดมายาคือการเสแสร้งการหลอกลวงกันปลอมแปลงเจ้าเล่ห์มายาเสแสร้งหลอกลวงปลอมแปลง ต่หน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งอุมาดยานี่เยอะเลยมันแสดงบางทีเนี่ยคือเรื่องบันเรื่องเนี่ยมันมีปัญหาว่าเขาร้องไห้ทีเดียวเนี่ยเราใจอ่อนจะละบางทีก็เตือนภิกษุเตือนเด็กพอพูดไปไม่กี่คำแกร้องไห้ไ่แล้วเราก็สงสาร เลยก็ไม่กล้าพูดต่อบางทีก็เสแสร้สงก็บีบน้ำตาเจ้าน้ำตาดาราเจ้าน้ำตาวันมายามันออกมาเยอะเลยแล้วบางทีก็ามายาเก่งเก่งเนี่ยคนเชื่อนะฮะเชื่อสนิทเลยมีในพระธรรมบทได้เล่าถึง ผู้ชายคนหนึ่งไปเรียนเรื่องมายาหญิงมาแล้วก็บรรทุกตำราใส่เกวียนมาก็ เ, าเจอกผู้หญิงคนหนึ่งริมบ่อนา้าผู้หญิงก็ถามว่าไปไหนมาเขาบอกว่าไปเรียนเรื่องมารยาหญิงมาได้ความรู้มาเยอะเรียกว่าเป็นเล่มเกวียนเลย ผู้หญิงก็ต้องการทดสอบเลยก็ตะโกนเรียกให้คนช่วยพอเรีคนช่วยในนี้ก็ไม่รู้ว่า เ, เรื่องอะไรแขนซ้ายแขนขวาทํำยังไงดีผู้หญิงก็บอกว่ากระโดดบอกกระโดดบอกกระโดดบอกเลยต้องกระโดดนะคือรู้ไม่ทันมารยายหญิงว่าเขาต้องการทดสอบ บทเรียนมานั้นรู้จริงเลยว่าหรออาจจะเลยหนึ่งเล่มเกียนไปก็ได้พอคนวิ่งเข้ามาผู้หญิงก็บอกว่าคนตกน้ำช่วยด้วยคนตกน้ำแต่ก็ให้บทเรียนอย่างดีนะว่ามารยาเนี่ยมันมันเยอะเลยในสุภาษิตสันสกฤต อาจจะพูดแรงไปก็ได้นะฮะแล้วก็คงจะคนใดคนหนึ่งหรือว่าเกส่วนปจเจกะนี้ฝังได้แต่ตั้งแต่กานเจอมาเนี่ยแล้วเาดา้ดกว่ามันไม่น่าจะทั้งหมดแรับกบอกว่าธรรมดาของผู้หญิงนั้นก็เหมือนกับลูกจระเขคือพอออกมาจากฟองไข่ก็เลือล้อยลงคลองเลย คือลงแม่น้ำหรืลงมาสมุทรไปผู้หญิงก็เหมือนกันพอเกิดแววมาถึงก็เลื่อนไหลลงสู่มารยาทันทีทันใดก็แสดงว่าหนที่สุดเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันสิ่งที่แสดงออกนั้นไม่ใช่ตัวแท้ แต่ตัวจริงสิ่งที่เธอคิดเนี่ยสิ่งที่คนคิดเนี่ยมันเป็นตัวแทนแต่เราก็ไม่รู้เขาคิดยังไงอันนี้ก็คือเรื่องมายามายาหรือมารยาแล้วก็อวลดังนั้นอาจจะเอาอะไรก็ได้เหมือนกันคล้ายๆกามานะ น, นั่นแหละคือหมายความว่าหยิบ ป, ประเด็นนั้นๆขึ้นมาหรือบางทีเนี่ยตนมันไม่ถึงกับใกล้ชิดขนาดนั้น เปนการอ้างเทือกเทวหลอกก่อนเนี่ยเชื้อสายคนนั้นคนนี้สืบต่อกันมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่านายุคนตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรมันก็ต้องโหนคนรุ่นเก่าอ้างความมั่งคั่งร่ารวยของญาติพี่น้องสักคนหนึ่งสมมติสักคนเนี่ยญาติพี่น้องก็จะรู้หรือไม่รู้เนี่ยเราก็โหนไปก่อน เพื่อจะยกย่องเชิดชูตัวเองกเกวียนี้ก็ลูกเล่นเหล่านี้มีเยอะเจตประการพกพารูปถ่ายของผู้ใหญ่แล้วก็ไปแนะนําคนอื่นว่าเขาเป็นลูกศิษย์ท่านผู้นั้นผู้นี้เป็นลูกน้องผู้นั้นผู้นี้เป็นอสอทสศรท่านนั้นท่านนี้เป็นผู้ไกลชิดท่านนั้นท่านนี้โกหก ถึงแม้จริงก็โอ้โหคือไม่จำเป็นจะต้องไปรายงานในคนอื่นถามว่าเราบอกทำอะไรบอกเพื่อให้เขารู้จักว่าเรานั้นมีความสาคัญเป็นคนสาคัญคนอื่นจะต้องความต้องให้ความเคารพเกรง อ, อกเกรงใจว่าเราเป็นคนสนิทนะเป็นคนใกล้ชิดหรือแม้จะเป็นคนขับรถอะไรก็อ้างได้นะ อ้างได้ผมเป็นคนขับรถสมเด็จเลยนะี่ยก็อ้างได้แล้วก็ใหญ่แล้ว อ, อ่างรถคนขับรถธนายกคนขับรถรัฐมนตรีะอะไรต่างๆเามาอ้างได้เยอะแยะไม่หมด เ, เพื่อจะโอ้อวดอาศัยคนอื่นเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการเชิดชูตัวเองให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับรับถือของคนทั้งหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตลอดถึงอาทิตยาสายไปเด่งไปเด่งกินฟรีในที่ต่างๆหรือว่าซื้อของราคาถูกในที่ต่างๆนี่มันก็เยอะนะฮะวันภาษาริบทุท่านยังชช้คำว่าลามกเป็นธรรมอันลามกลามกก็คือสกปรกอะเรียกว่าปาปิจารปา ปาปะปาปิศานั้นความปรารถนาลามกก็เป็นบาปนะคุณไงว่าเป็นบาปเป็นตัวความชั่วแล้วเป็นเหตุได้เกิดความชั่วขึ้นภายในจิตใจของบุคคลความหัวดื้อและความแข็งดีความหัวดื้อนั้นก็คือก็เรียกว่าอะไรอ่ะสาวะ ที่เรียกว่าถ้ำผ้าเนะี่ยจะแปลว่าเสาอะถ้ำผ้าหัวดื้อมันก็คือเสาอะคือผลักไม่ไปอ่ะไปซ้ายไปขวาไม่ไปทางนั้นเลยเพราวะาการที่ดื้อเนี่ยมันก็ดืดดันห้ามแล้วก็ยังดันทุรังทําไปดืด้านว่าไม่นอนสอนไม่ฟังไม่ถือตามไม่ปฏิบัติตามดืดดึง ก็ห้ามไปก็ไปห้ามทำก็ทำห้ามพูดก็พูดห้ามกินก็กินห้ามเที่ยวก็เที่ยวอะไรแต่ไหนถูกก็ข้อเดียวนี้ก็บวดหัวแล้วนะครับปวดหัวแล้วอย่างก็ตั้งแต่บวชมาก็มีลูกศิษย์มาหลายรุ่นเลยนะถูกศิษย์เป็นนันมากก็กเกษียณอายุราชการไปแล้ว บางทีเราก็หนักใจแต่ว่าก็ไม่เคยใช้วิธีเครียดเด็กนะคือนึกว่าคนเราถ้าถึงก็ต้องเครียดเนี่ยมันไม่ไหวหรอกทำบาปเราเราก็พูดเราพูด เ, าเราด้วยพูดนิ่มๆด้ยนะฮะพูดนิ่มๆเตือนจิตส ก, กิดใ จ, จให้คิดออาเค่นั้นเองขี้เกียจไปทุบเท จนถึงก็ต้องทำบาปเพราะอนุเคราะห์คนเพราะฉะนั้นคนประเภทดื้อเนี่ยแต่และเรื่องนี้จะพูดยากมากคือไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยก็ชี้แจงก็อธิบายอะไรก็ไม่ยอมเข้าใจอย่างตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยสัญชัยปริพายศกนี่เป็นคนหัวดือ้อ ในขณะเดียวกันก็เป็นคนมานะแล้วก็อติมานะดูบินคนื่นเอาว่าขนาดว่าคนเราเท่าไม่ดื้อเนี่ยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นพระโสดาบันให้เห็นกันจัดจ้ว่าพระธรรมกรรมสสอนของพระเจ้านั้นดีกว่าของท่านแน่นอน พระประสาริบุตรพระโมคคัลลานะอยู่กับท่านมาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้เรื่องอะไรแต่พอพระสาริบุตรพระโมคคัลลานะตอนนั้นยังไม่เป็นพระนะก็ช่วยได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันว่าพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วในโลกนะอาจารย์นานๆโลกมันจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าอาจารย์ไม่ไปก็สูญเสียโอกาสเลยสัใจกลับ มองไปที่สถานภาพของคณาจารย์เจ้าลัชชิอันเป็นที่มาของลาบสาการะชื่อเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายสาระเพราะมันเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยในการดารงชีวิตต น, นเองแต่ไม่ใช่ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ท่านก็เลือกเอา ปัจจัยเครื่องอาศัยสำคัญกว่าการพัฒนาจิตแล้วก็ยังย้อนถามพระสารีบุตรก็ตอนนั้นเรียกว่าอุปติสสะปฏิสสะปริภาชกว่าในโลกนี้คนง่อมากหรือคนฉลาดมากพระสารีบุตร บ, บอกว่าคนง้มากคนฉลาดน้อย ประเด็นการตัดสินใจของท่านก็คือว่าจะหากินกับคนโง่แหละคนฉลาดฉลาดมีเท่าไหร่ก็ปล่อยเข้าไปคนโง่เยอะแต่ยังหากินได้ครับท่นานพอวศรีบุตรตอบอย่างนั้นท่านก็บอกว่าแต่อย่างนั้นไม่เป็นไรคนโง่โง่ก็จะมหาฉันซึ่งเป็นคนโง่คนฉลาดฉลาดก็จะไปหาพระสารมานาโกโดมพูฉลาดไม่เป็นไรเราฉันอยู่ได้ แต่เช้าน้อยแต่พอตัวดือด้อๆอย่างนี้นแต่พระพทุทธาท่านก็ไปไหนไม่ได้ก็เป็นคนที่ทำลายโอกาสของตัวเองที่พึงได้พึงมีพึงเป็นเพราะว่าคนดื้อบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ ตระหนักว่าครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนแนะนําชี้บอกให้เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการของครูบาอาจารย์นั้นบางชีเนี่ยมันเหมือนกับการต้องการให้ลูกศิษย์ได้ทรัพย์สมบัติมันมีบ่อทองมันมีขุมทองอยู่ลูกศิษย์ดิ้ไม่ยอมไปไม่ยอมไปท่านก็ต้องจุดกระชากเขี้ยนตี ผลักใสไปให้ถึงบสถ์ทองให้ได้เพราะแต่เราเกิดไม่พอใจวิธีการวิธีการครูบาอาจารย์อย่างนิกายเซนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีวิธีการที่แรงๆเพื่อเกิดญาณความรู้ขึ้นภายในจิตของลูกศิษย์เองคอยใช้วิธีแรงๆอาจารย์ลูกศิษย์ถามธรรมะ ก็ถามเรื่องความโกรธว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์เอาไม้เคาะหัวแล้วก็ผลักกระชีพออกไปนอกประตูแล้วก็ปิดประตูให้ลูกศิษย์ตากฝนอยู่แค่นี้ตกฝนหายท่านก็เปิดประตูเรียกข้นมาถามว่าเป็นไงรู้จักหน้าตาความโกรธไดอง ก็อสอนก็นอย่างนั้นเนะี่ยแต่ทีนี้ถ้าลูกศิษย์เกิดดื้อแหละลูกศิษย์คนคนนั้นเกิดดือ้อขึ้นมากโกรธอาจารย์ก็ต่อยอาจารย์อาจารย์ก็คงสู้ไม่ได้หรอกนะแต่วันในที่สุดลูกศิษย์ก็จะไม่รู้จักตัวเองจะไม่เข้าใจธรรมะเพราะวิธีการสอนจึงมีความหลากหลายเพราะว่าคนบางคนเนี่ยกระด้างดุมิน ดูบิดแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ดูพินบางคนก็มีมาน่าจัดบางคนก็หัวดือ้อบางก็พูดมากนะฮะพูดพูดพูดพู ด, พ ด, พดยากกับคนทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าพวกนี้เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาจิตเราจะเห็นว่าพวกอะไรละ่ะพวกที้ชีทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอาการของดื้ออย่างหนึง่ง ไม่ยอมฟังเหตุผลอะ ไ, ไ, ไรเลยก็เห็นกัน จ, าจาน่าจ่าห็นก็นจกจแต่ว่าไม่ยอมผ่อนคลายความรื้อรั้นตรงนั้นและในที่สุดตัวเองก็จมปลักต้มอยู่ในขณะที่คนซึกอนุเคราะห์นั้นได้บรรลุมรรคผลในผ่านไปต้องฟังเท่ไร